นนนตั้งใจฟังกันพระส่งหงเมีครับตั้งใจคือกันเารญาติโยมกับตั้งใจสือการถ้าห่งางบุตตั้งใจฟังแล้วจํำบุไดการจํานี่เพื่อเป็นเกลักการเตือนใจเราอาจะเตือนใจเรา บอกให้เราลืมเราตั้งใจฟัง <c oughs> ไม่ใช่ฟังแล้วมันิดเปลี่ยนรบุแม่ <c oughs> ฟังไว้พันวาจังซันพ่นวาจาังซี่แล้วก็เลยนำไปปฏิบตัติตอนนำไปปฏิบัติคุณแปลว่าลงมือทํา เมื่อเขาลงมือทำแล้วผลงานมันเกิดขึ้นมาให้เขาเขาได้ลับออกผลงานอ่นี้ที่เนี่ยพอวานีบได้อ้างถึงตัวภาษาบาลีภาษามคตในทั้งหมดเลยเพราะว่าเนี่ยพ่อเป็นคนไทยก็ต้องว่าภาษาไทยนี่แหละแต่ว่าภาษาไทยเดียวนี้นี่ มันเป็นภาษาทางอิสานมันเป็นภาษาทางอิสานว่าภาษาคนลาวไาว้ทั้งก็ได้ก่อนซึว่าภาษาคนลาวในสมัยเนี่ยพออย่างหนุ่มไปกรุงเทพพระเจ้าเอื้นคนลาวคนลาวว่าท่นคนทางภาคอิสานนีฮันไปเมืองลาวไปฟังทายคุณพระเจ้าพุ่มเอื้นขนไถ่ ฟังกันกระโูบบ้จักบางทีเราไปทางเมืองลาวไปทางหลวงพบางไปทางเมืองแม่เมืองกรสีไปทางพุณเป็นผู้ไทยดับวาบางคํากระโบกจักกันซํามเต้นหน้าตาคือกันเม็ดบางคํากระู้บกจักบางคํากระโบกจักมาบ้านเราเนี่ก็คือกัน มันมีหลายภาคหลายพวกคุณนราขันไปภาคกลางไปทางสระบุรีทางกรุงเทพไปตะพุ่นเว้าวกับโบผู้จักกันดีบางคำบางคำผู้จักลงพ้อลงไปภาคใต้ช <c oughs> ่งขเจ้าเว้าวกันไปไปกับรถไฟทั้งวันนึงเนี่ยพอจำบล๊อคพอสองคำเนี่ย คนไทยแท้ แ, แหละอันเนี้เรากันแค่อย่ายบุรุษจักเรื่องบุรุ้จักภาษากันขึ้นไปภาคเหนือกั น, ก น, กกนผู้จักเป็นบางคำบางบทบางตอนแล้ววันนี้เราสวดมนต์ไหว้พระมือเสาร์นี่กันถ้าบ่แปบูรุ้จักเราเลยไปติดผสมภาษาบาลมบาลี อย่างี่ว่า阿拉หังสัมมาสัมพุทโธพระวานิยังเป็นภาษาบ้านเขาเว้าได้เป็นภาษาบาลีนิสวาคาโตนี่ก็คือการสุปฏิปนโนก็คือกันนโมตสสามนี่ก็คือกันวานแล้วมาจิขังจิสักติดบัวแมนเพิร์นว่านั้นเป็นภาษาบ้านเพิรนเขาว่าตัว่าภาษาบ้านเขาเขามาอบรม มาปฏิบัติธรรมมาเพื่ออย่างมาเพื่อฝึกหัดดัดแปลงนิสัยเอาคนมันต้องฝึกหัดดัดนิสัยนิสัยมันบกไว้ดีคนาบางคนก็ดีบางคนก็บกดีการฝึกหัดดัดนิสัยนี้บกขึ้นอยู่กับตะกุลเสื้อสาร อะไทั้งหมดขึ้นอยูก่กับบุคคลเท่านั้นลูกเตี้ีมีเงินเป็นล้านๆทำสัวซาลามกทำให้ที่น่าจีพายก็เป็นได้ลูกคนจนๆฝึกหัดดัดนิสัยอบรมดีทำให้เป็นคนร่ำคนรวยก็ได้อยากเข้าใจว่าในตระกูลเราดีแล้วทำสัวโบเป็นอย่างโบแมน แม้ตะกูลเราซั่วแล้วว่า่นจะทำดีโบราณโบรมณดังนั้นเราต้องรู้จักซิ่งเรานี้เขากับผู้จักกันอยู่ทั่วไปคนที่เกียดที่คานรู้จักทัานเจ็กกินรู้จักตั้งเตะใสโบรูจักจกิดบบรู้จักหาแม้ที่เป็นลูกเทพทีกอตาม ต, ามตาม่างต้องพูดกินาจิตหายยับเยินไปนเมื่อ รู้คนจนๆเรานี่แหละบางนีแต่รู้จักการรู้จักงานรู้จักหารู้จักเจ็บรู้จักใจประหยัดแล้วก็มีเงินมีพอบางทีอาจจะได้เป็นเศรษฐีแทนกันก็ได้แต่เรื่องนิหา น, นนั้นบนได้เก็บมาว่าพอว่าเป็นเรื่องควนกินสู้กันฟังเขาเห็นกันยุ่ทุกมือทุกวันเดี๋ยวนี้นี่ คนจนๆจนเท่านี้แหละที่สามล้อกามีบางคนนะบางคนตักน้ํารับจ้างเป็นคนมีเห็นเขาสู้บุรียาตองเนี่ยัะไปซื้อนําเขาซื้อมาสู้กับเขาแต่กก็บอกห้ามอันนี้นี่แปลว่าโตคนจนไปทําเหมือนคนนี้ยิ่งทําก็ยิ่งจนลงไปบันนี้คนมีบันนี้ บริห็ตบรหามีแต่ใจแต่จก ร, ร, ระจนลงไปคือกันบัด น, นี้เขาเป็นลูกคนจนแบบ น, นี้เขาได้บาทหนึ่งหรือสองบาทสิ่งบ่จําเป็นเขาโบาซื้อสิ่งบ่จําเป็นเขาโบใส่เก็บไว้น้อยประสบให้มากเมื่อมีความเจ็บใข้ได้ป่วยมาเขาบริเป็นหนี้คนบริไปยืมคนเงินเขามีในกระเป๋าเขาไปโรงพยาบาล เหมาะรักษาดีให้ยาดีบัดนี้้าหาเขาเป็นคนจนดูแลคนนี้ยิ่งเฮ็ดกยิ่งจนลงไปเมื่อเจ็บไครได้ป่วยมาแล้วบัวมีเงินจำเป็นต้องไปหากู้พี่ยืมน้องขัดไปกู้ไปยืมเพื่อนเพื่อนบัให้เคลียร์ให้เพื่อนอันนั้นเป็นคนบดูดีบวกผูดขัดดักนี้ใส่ตัวเอง ถ้าเพื่อนบวงให้กันนึกได้จะโอ้กคู่นี่มันบ่ดีวะต้องอย่าบ่วให้น้อสิคิดตั้งทีคนก่อนที่ดีได้เกิดมาทุกคนนี่แหละโบมีนไผยอ้๊เงินมาทั้งหมดเลยเว้นแต่คู่ไปเกิดนั้นในตระกูลผู้ลําผู้รวยที่เอื่นมีเงินแท้แท้แต่เฮาอยู่เนี่ยเกิดมาโบไทยเอามามาจาับคนบ่ได้ห่อมาทั้งมัดเงินทองเนี่ย มหาเอาไม้พ่อแม่หาไว้ให้บางคนก็ใส่เม็ดบางคนก็เก็บไปใส่ต่อไปแต่ส่วนความจริงใจนั่นต้องหาเอาเองรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใส่ได้น้อยใส่น้อยได้มากก็ต้องเก็บไว้มันมากใส่น้อยผู้หันโบสถ์โบตน เจ็บไค้ได้ป่วยไปกับมีผู้รักษาโรดมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงแต่ว่าเพื่อนฝูงพี่น้องเหล่านี้เพราะคุณดีสมงามเห็นซึ่งน้าถ้าหากเป็นคนรวยบะเนียใส่เงินมัดพี่น้องก็หมดไปนะเจ็บไค้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลหมอกเขาบขอกว่าคอยจะใส่ อันนี้ให้เขารู้จักเอาไว้สอนกันภาษาแบบบ้านเอาอันนี้เป็นหลักวิชาหาจินตามพื้นบ้านของนายถ้าพยายามดีต้องทำตัวให้มันดีถ้าพยักาัซวไทยจะบอห้ามสู้ฟินกินกันซาจินเหล้าเมาสุราเล่นการพ น, นันอไทยบอหา้ามมีแต้พระพรุทธเจ้าเวาให้ฝังซื้อ เพิ่นเว้าให้ฟังไม่เพิ่นบุษเลยห้ามเลยอันนั้นเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดผิดแล้วมันเทียวทางผิดแล้วนี่ยอันนี้แหละเพิ่นว่าทางมิใช่ทางทางมิใช่ทางให้ห้องหู้จักบุญแม่ทางเฮ็ดทางธรรมอันนี้ยทางเฮ็ดทางธรรมนั่นเพิ่นก็ บ, บอกไว้ให้เป็นคนขยันมั่นเพียรตื่นดึกลุกเศร้าทํามาหากินอันนี้ ปฏิบัติคนขี้เกียจขี้คานบอทาการบอทางานนั้นบอเมนทางปฏิบัติทางดอกทางขี้คานบอเมนทางปฏิบัติอันนีจ้จำไว้แบบนี้มาวกเข้าธรรมะเพราะว่าเวาธรรมะสู้ฝังกันมาแล้วตอกมือแล้วต่อเสาทีแล้วทีแรกมันเอาเรื่องศรัทธาบทหันจบ เมื่อวานนี้พูดเรื่องธรรมะเรื่องฐานธรรมกับบทัน่งจบเจว่าจะเว้าเป็นหัวพ่อสูบสังเครื่องศรัทธานั้นเสื้อสิ่งที่ควรเสื้อเสื้อด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยญาณของวิปัสสนาจริงจึงควรเสื้อพึงได้ศาสนาจริงแปลวาสีพึงพึงได้ บ่ย่านบ่กลัวอย่างทั้งมดเพราะว่าพึ่งตัวเองเพราะดีสัวตัวเองเป็นคนทำอันนี้บทเรื่องปรัทธาจําไว้ติดจิตโอ้เวรมันนีการทานธรรมบาเนื่ทานธรรมบ่เนเอาเงินเอาทองบ่เม็นเอาเสื้อเอาผ้าทานคำพูด ม, มืดบ่เป็นคำพูดสิ่งที่ดีๆเขาแนะนำนะ่ะมืดบ่เป็น จอนผู้ใดก่าหมดเปลี่ยนขาเจ้ากับบนบนได้เอาเยี่ยมีแต่ขาเจ้าจำไปซื้ออันนี้ก็เกิ้ลฐานทำยอมสนะฐานทั้งฟวงอพอเงินเขาบ่มุดเนยยังอยังพอว่าให้มูอไม่ออกพระเนร ฟ, ฟังนี้เงินเขา บ, มบมา่มุดบทสิ้นเปืองมียังมีแต่ว่าเหม่ยไปซื้อเป็นธรรมดาคนทําการทํางานมันก็ต้องมีมือยบางเล็กน้อยถ้าบ่ามือยนั้นบม่มีมี เต็กก็ต้องทนทาทนทำเพื่ออยังคนทำเพื่อทุรลหน้าที่เกิดมาเป็นคนต้องรู้จักว่าความเป็นคนคืออย่างรู้จักความเป็นคนแล้วคนาดคนในพโนเอินเป็นมนุษย์มันนะเราต้องศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์จะควรทาอย่างไรควรพูดอย่างไดต้องศึกษาให้รู้จัก เมื่อเป็นมนุษย์ได้แล้วบอรเหนียต้องศึกษาให้รู้จักวันหน้าที่ของเทวดาคือยังต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักหน้าที่ของเทวดาเมื่อรู้จักหน้าที่ของเทวดาแล้วศึกษาปฏิบัติให้รู้จักหน้าที่ของผมโบแมนว่าพระอินทร์พระพรหมอยู่ใส่กับโบโบโบโบต้ไปสนใจ ต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจหน้าที่ของพระอิน์พระพมเมื่อรู้จักศึกษาดีแล้ว พ, ออพระอิน์พระพมเป็นจังสันจังสันนะต้องศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของพระหน้าที่ของพระนี่ศึกษาจังไรเพระเป็นวาเปรูฟาเป็นผู้ประเสริฐสวิชีวิตของพระจึงวลาพลืน ดีก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างทีงผ่ผมขาดดังนั้นจึงว่านาเต้ความจริงมาเว้าสู่กันฟังทุกคนอยู่เนี่ยเป็นพระได้เมื่อทำไมจึงมาเป็นได้ล่ะพระนีพพปลผูปเสริฐ เ, เขาสวดสั่งขับคุณกันว่าสุปฏิปโนดพระควะโตสาวะกะสังโคเขาสวดเต้จังสี อุจุปฏิปฏัปโนภะควโตวสาวกสังโฆยายญาปฏิปฏัปโนภะควโตวสาวกสังโฆสามิอิปฏิปโนภะควโตวสาวกสังโฆสูตรเป็นเหาเป็นบูรหัจกุลหมายลดลงมาบะเนี่ยมาวานโ ม, นม ต, ตัสสะนาโมตัสสะภะควโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามเตือ อันนี้กระบูหู้จักขุหมายบัต น, นี้บัต น, นี้ก็มาว่าพุทธังสระนังคาฉามีธรรมังสรนังคาสามิสังขังสรนังคาสามิทุตียำปีตัดตียำปีไปอันนี้กระบูหุ้จักขุหมายเพราะว่าม่นภาษาบ้านของเวานี่พุทธังสาระนังคาามีข้าพเจ้าเปรอะได้แบี้ พุทธังสันนัคฉามีเป็นภาษาบาลีข้าพระเจ้าคือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกรรมจัดทุกกรมจัดภัยได้จริงตัวกรรมจัดทุกรรมจัดภัยได้จริงพี่เล่ยังแม่นว่าพุทธังพี่เล่ยทำมังสันนัคฉามสิอันนี้เป็นภาษาบาลีข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง กำจัดพุกกรำจัดไทยได้จริงตัวกำจัดทุกกำจัดไทยได้จริงที่อย่างเมนวอลว่ารรมัาสั่งคังสารนังภาษามินเป็นภาษาไทยข้าพระเจ้าถือเอาผ้าสงเป็นสรณะเป็นที่คึ้งกำจัดพุกกำจัดไทยได้จริงบทุกผู้ใดถือแบบพระบริจ้าแล้วบทคุกแม้ฮาเป็นคนไทย เราจนตายยังทุกข์อยู่เราซื้อ อ, อันนี้ก็ว่าหา ก, กินตั้งแต่ดูหา ก, กินตั้งแต่เอ็นมันหา ก, กินตั้งแต่ก้างมันเนื้อแทบโได้กินถือศาสนาพุทธบูหจักความหมายอันนี้คือว่าเฮ็ดต า, ตามตามกันมาซื้ อ, อพูดตามตามกันมาซื้ อ, อคนที่ฟังมากับบุญจักคนที่มาสอนกับบุญจัก คนที่ฟังต้อไปกับบุหุจักเมื่อบุหุจักก็เละเ ล, เ ล, เลื้อนไใจที่นํามาวอร์ให้ฟังเนี่ยเพราะว่ต้องตั้งใจฟังบัดดี้ละนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมมุรสสะตามเสือมีความหมายว่าจังใดบุู้จักว่างซื้อว่า ซ, ซื้อมันได้ประโยชน์อันไหนข่าบุได้เอาไปปฏิบัติมันคับบได้ประโยชน์อย่างแล้ว มันต้องลงมือปฏิบัติมันอย่างไดนะโมตัสสะเพื่อนแปลสมัยไม่อะนะโมตัสสะพระวะโตนั้นเอาแปลกันเนี่ยแปวะว่าขอนกน้อมนุบให้จังไดน้อมให้จังไดนุบผู้ใดน้อมผู้ใดเอาต้องรู้จักอาลหะโตแปลผู้ไก่จากกิเลสกิเลสคืออย่งกิเลสคือค่าสึกค่าสึกคืออย่าค่าสึกคือกุมทุกข์เป็นอยงว่าต้อรู้จัก สัมมาสัมพุทธาสาวเป็นภาษาบาลีพระพุทธเจ้ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองเพราะการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญารู้เองเห็นเองเข้าใจเองคุนว่าตัดสดดู่โดยชกโดยบ่มีครูบ่มีอาจารย์แล้วก็ น, นำมาสอนพวกเขาให้เขาปฏิบัติจังสั้นพอที่จะรู้จังสั้น บัตรนี้จะมาหลบเขาอกทึ่มเรื่องสังฆ ค, คุณสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆเป็นภาษาบาลีแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้านั้นหมูใดปฏิบัติดีแล้วมูใดกมูใดได้หมายถึงตั้งแต่ผู้หนึ่งสองคนหรือสามคนสี่คนไป ถึงสิบถึงร้อยถึงพันถึงหมื 100, ่นปฏิบัติดีคุณคนผู้ปฏิบัติดีคุณได้เป็นพระสงฆ์อุดชุปฏิปโนพระวโตสาวกสังโฆเป็นภาษาบาลีแต่ว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมิภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วคือปฏิบัติตตรงต่ออันใดตรงต่อการต่องานตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อตัวเองตรงต่อพักต่ครัวบทเมตสิวาอยางนึงและเปรี็ดอย่างหนึ่งบทแมนยายญาปติปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอันนี้เป็นภาษาบาลีคําว่ายายญาปติปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนี่แปลว่าสงสาวกของพระภูมิภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติ เพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วอ้อกจากทุกข์ได้เพราะความเกียจขันหรือออกจากทุกข์ได้เพราะความขยันดังนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งก็สอนให้ทุกคนขยันมั่นเพียรรู้จักหน้าที่การงานนี่เป็นว่าคนอันนี้บัดนี้ดีกว่าหันขึ้นไปเป็นมนุษย์ ห, ห้ามจิตใจที่มันเลวซาม ดีตัวหั่งขึ้นไปหมดมีหินิขมละอายแก่ตัวเองทำผิดพูดผิดคิดผิดเพลินเทวดาวบัดนี้มีความสงสารเมตตาเอือ้อเฟื้อเพื่อนขู่ที่อย่างบุษันรู้พยายามพูดให้ฟังเพ่ อ, นอินว่าผมเพลินว่าพระอินพอ์พระผุมเพราะผมนั้นว่ม่ไมีซีนะเอาเฮตุพระผมเดี๋ยวนี้มีสีนะ คันสีนน้าแล้วเหายใจหายใจออกได้ยังไดงลองนอนดังอยู่ทางเมืองนี้วันนี้นอนกับดังมันติดอยู่กับหายใจบอดได้ค้างเมืองนี้ก็มีดังนอนหายใจบอได้รูดังมั น, ม, นมันเขาตันไว้แล้วมันหายใจบอดได้อันนั้นเขาเข้าใจผิดเพิ่งซ้อนควมจริงแท้เขาตีควมใหม่มันอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้ เพราะการฟังภาษาบาลีแปลภาษาบาลีนั้นมาสู้ภาษาบ้านเฮานี้บกค่อยตรงแต่มันตรงยุภาษาบาลีของโบยากคมหมายยังเัวว่ากันนี่แล้วโบจักคมหมายเนี่ยพอว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะอถ้าเป็นคนภาคกล า, างฝับงบางคนเขาเจ้าจป็นญาไม่รู้บางคำชาวเบอร์เบอร์เนนคนมาจากภาคเหนือคือกันมาทางเสียงใหม่ ถามเนาะเป็นยังไดรหูจักบวกบางคำกับหูจักท่านอย่าพวัสตาท่านอว่าพว า, า, า, า, า, พ ว, าวแล้วกับบุรูษจักคนมาจากภาคใต้คือกันต้องฟังหลายเพื่อฉะนั้นการฟังต้องฟังหลายเครื่อบอกเข้าใจมือนี้มือหน้าต้องเข้าใจบอกเข้าใจมือหน้ามือต่อไปต้องเข้าใจเอาฟังหลายเครื่อนี้นี่การฟังเทศฟังธรรม ดังนั้นจึงว่าให้เรารู้จักไปตั้งแต่ขั้นต้นๆอ้าวบัด น, นี้ตอนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าว่านิพพานพูดกันให้ให้เข้าใจว่านิพพานคืออย่างแต่เขาต้องการนิพพานเมื่อเาเห็นนิพพานอยู่ห้องก็เอานิพพานบาเปลี่นเพราะเราบูชาค่ายค่ายคือเอาไปหาเหตุ แร่หาอย่างบินพื้นดินนี่ไปมีแร่ขา้าวสามีแร่ทองคําแร่เพชรแร่อันใดเขา้าะผู้จักพวกวิทยาศาสตร์เขบาบุกเคยได้ศึกษาเราเรียนลงไปไปพอเอากองเงินกองทองกองคําอยู่หอกกระบูจับคิดว่าเป็นขี้ดินเป็นหินแห่เป็นนั่นไปคือ ค, อคนที่สลาดนั่นเขเจ้าไปข้าวไปเห็น โอ้อันนี้เป็นองคำเป็นแร่เป็นเพชรเป็นอย่างขะเจ้าก็ จ, จัดการจับ จ, จองที่ดินตอนนั้นไวโรลดคนสลาดจ้างคนงานไปทาคนงานไปทำนั้นอยากได้เงินบ้างอยากได้เงินก็นไปต้องไปเป็นลูกจ้างทำงานเพื่อขาเจ้าดังนั้นคนจนคนรวยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเจต้องรู้จักเก็บไว้ถ้าเราจะมีเงิน เราเป็นลูกจ้างขเจ้าต้องเก็บไปต่อไปเที่ยวหน้าเราก็ได้ศึกษาว่าอันนี้เป็นแร่ของคาอันนี้เป็นแร่อย่างไรอนาางนีราะเขาได้ไปเป็นลูกจ้างขเจ้าเลยนี้เขาก็เรียนมากระหู้จักจนว่าอันนี้เป็นว่าเรียนด้วยมือเรียนด้วยการกระทําอันนี้ผมไม่ไปศึกษาตาลับตาราซื้ อ, อขันไปศึกษาเอากับตำรับตาราซื้อนั่นเมื่อกไปเห็นของทองคําอยู่กับระหู้จัก อันนี้ว่าให้ฟังกันเป็นบทเป็นตอนไปเอาสมมุติยังเหาเดียวนี้นี่แหละถ้าหากว่าเหามีคุ ณ, ณธรรมจริงๆงบุญมันมีจริงๆนะอันนี้ว่าเรื่องบุญโบมินตานําหนิเรีกกระโบมินสนะเตอร์โบมินห้ามโบมินบอกให้ทําเราสู้ฝังคือไปเอาบุญเธอ จะมีบาทหนึ่งอมาะฐานบาทหนึ่งมีสองบาทอมาะสองบาทมีร้อยอมาะร้อยแก่ทุกคนอยากได้บุญยังว่าเอาผู้เดียวเป็นยังบุญเอาผู้เดียวเนี่ยพอก้อนเป็นยังสมมุติว่าโมูเจ้าไปพ่อกองทองําหรือกองเงินคี่ไปเอิ้อนให้บ้านไปเอาก้อนบอกหรือหมูเจ้าจีเอาก้อนหาโมูเจ้าเอาก้อนการแสดงว่าบุญนั้น โบไม่นแล้วโบเป็นบุญแล้วคันเทศบุญแล้วไปเอื้อไทยบ้านมาเอา่อนนี้แสดงวางเขาเข้าใจโบถู่คำว่าบุญที่ขึ้นเธอนี่ยเอาคนยิงมาว่าทุกขันฝังเมื่อเอาไปพอกองเงินกองทองอยู่เรื่องเขาต้องเอาเต็มที่สะกคอนอย่าพอใจอย่าพ อ, อันนี้เป็นคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นทางทันยูย่คือเก้าเป็นบัด น, นี้เมื่อเขาคนเอาเต็มที่มาเต็มบ้านเต็มห้อแล้วไปบอกพี่บอกงอง บอกญาติพี่น้องเขาเนี要要่ยญาติพี่น้องเขาขนเอาไปเต็มบ้านเต็มเหือนเหลือไตเหลือส่วนอะไรไปบอกให้บ้านบอกให้บ้านให้บ้านเฮามีเงินมัดจุกคนแล้วเนี่ยไปบอกบ้านอื่นมาเอาบอกบ้านอื่นไปเอาแล้วบอกอำเภออื่นบอกจังเหลือใหญ่เหล่านี้แต่เมื่อเฮายังบุทันนิสัยบุษันมีใจเรน เอาความจริงมาไวา้ฟังเนี่ยบ้าคือที่โบมีจะ่ว่าเงินกูบบมีจากบ้าที่เอาให้มู่ทั้งหมดสักคนหรอกกูจีอุดจริงอุดใจโบมีอันนี้ให้ใหาเข้าใจไว้คําว่าบุญนี่ก็ะเด็นเาพอ่อหูจักเรื่องนี้มาเมื่ออายุสี่สิบหกปีย่าพ่อจึงกล้าพูดกล้าทําเท่าความจริงเท่านั้นจึงว่าเว้าอันใดอันใดกระเจียบสลุกเข้ามาหาเรื่องนิพพานนี่แหละ นิพพานนีห่หมายถึงข่วมบทุกข่วมทุกบ่มีคนเอิญนิพพานคนเอิ้นว่าตายกระแมนอืเอินว่าดับ ก, กิเลสกระแมนเอินว่าจังไดกระแมนเพราะมันพอแล้วโตเฮาเอาพอแล้วบอกพี่บอกน้องเอาพอแล้วบอกบ้านใต้บ้านเหนือเอาพอแล้วบอกเมืท่ทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัด เอาพอแล้วพอแล้วคนนกอนิพพานอันนี้พูดยังมีบุคคลจักบุคคลจักนิพานนพานก้อนที่จะปรากฏขึ้นมานั้นต้องเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาคำว่าจเจริญนี่ก็แปลว่าทำให้มากทำความรู้สึกทำความตื่นตัวให้มาก รู้สึกตึ้นตัวให้มากเลยที่เป็นอย่างนั่นความโบ้รู้สึกความบต้ ต, นะมมมบมบตื้นตัวนั้นมันจะค่อยแห้งค่อยหายตัเองเมื่อความโบ้รู้สึกความบ้ตื้นตัวนั้นมันแห้งไปหายไปหมดแล้วมิได้ความรู้สึกมีความตื้นตัวอยู่เสมอบัดนี้เขาจีเห็นความคิดเขามันเห็นค6คิดนี่มันโบ้เห็นด้วยตาคนเอื้นศาสทีบ บุคมนตาทิพนั่งอยู่นี่ล้วไปเห็นข่ามูลโรตาลีอยู่พุ่นเลขกีอ่ออกเมื่อนั้นวันนี้ไปซื้อเอา น, นื้ออันนั้นบุคคนแมนยูสเฉพาะบุคคลผู้ที่บอกเขาใจอันนั้นคนเอินวันหลอกหลวงโกหกวาน่นว่าก็ว่าแต่ไปหรือบ่าว่ากดีว่ากเพดีอนว่ามหาโจรที่เร็วที่สุดในโลกคนนี้เนี่ย พุ้นบ้านพุ้นเมืองพุ้นประเทศศาสตร์บ้านเหนือพนว่าพิศสูล่ามกสันดานนกกาหมาขี่เลื่อนงูเพื่อนที่ลูกนอกอคอผู้อยู่นอกบัญตีปลาซาผีดีบน้มติกลาล่างเท้าไม่ใส่คนของเราพระพุทธเจ้าเป็นปัญนหนาพนดาไว้แล้วเฮาก็ยังฟื้นเฮ็ดฟื้นทมกันอยู่ ไปนอนกลางคืนฝั่นอันนั้นฝันนีเพราะหยัง่งเพราะเห่าโบหินจิตโบห็นใจอกเขาซ่อนกันง่ายๆแบบภาษาบ้านเหาบัดนี้เทามาฝึกเขานี่ให้มันหูจับมันเคลื่อนไหวรูปกายภายนอกให้มันหูจับบัดนี้จิตใจมันนึกมันคิดให้มันหูจักอันนี้แหละต้นทางที่เดินไปหาพระพุทธเจ้า พอพระพเจ้ายุ่ใส่เขาจะไปเห็นมดบุญยุ่ใส่เขาจิไปเห็นมดพอเขายุ่ใส่เขาจิไปเห็นมดแม่เขาไปยุ่ใส่เขาจิไปเห็นมดอ้ายน้องเขาอยู่ใส่เขาจะไปเห็นมดพอ่อเขา เ, เ, เห็นอันนี้แล้วเดีนี่แหละทางเป็นทางปฏิบัติเทเธอกุนว่ามักแป่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใจเจือเทิงส ม, มาธิคุณละ ทุกคนเรียนมาแล้วอันนี้มักแปดนั้นเป็นข้อปฏิบัติมักแปดคนว่ามักแปดั้านพนวางสี่อีกเีงเสี้ยนหนึ่งว่าสี่คู่แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกัสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคนว่าตอนนี้ก็เปนว่าหนึ่งพระโสดามาสองพระโสดาผลสามพระ สัจะสักสกิธาขานีมากซี่พระสักกิธาขานีผลห้าพระอนาคามีมากหกพระอนาคามีผลเจ็ดพระอรหันตม์มักแปดพระอรหันตผลอันนี้แหละมะแปดแท้ๆแห่ะเดี๋ยวบอผิดอันสมาธิทีสมาสังกปะนั้นบางทีผิดก็ได้ถูกก็ได้คำว่าพราะโสดาเหตุอยัาง เป็นผู้มีตาทิพตตาทิพสิทธิ์ตาสติตาสมาธิตาปัญญาพจนภ า, ยาพาโซดานั้นต้องได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานได้ยัง้งมานจะได้ไม่ยัง้งได้ดเหน็นโตเฮาเนี่โตเฮานี่เป็นธรรมะโตเฮานี่ยพูดเป็นธรรมะโตเฮานี่คิดเป็นธรรมะพอแหลก และบัดนี้เหาเห็นจิตเห็นใจเหาบันนึกบันคิดมันจะคอยลดละไปเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่ก็าจะค่อยเบาไปแต่ก้อนสมมุติเอาน้ำสีน้ำแดงเต็มกระป๋องคุณภาพร้อยเปอดเซ็นอาไปย้อมผ้าขาวแดงมัดผ้าเนี่ยเพราะน้ำสีมันดีมันกลิ่นผ้านี่บัดนี้น้ำสี น้ำแดงกระถสง้างมันทูกไม้เป็นึ่เต็มกระปองคุณภาพบนเอาไปย้อมผ้าขาวโบติ์ถึงติดกันในน้อยเอาไปลางออกโลดมีขั้นต้นของผ้าโซดาต้องเป็นยังซีเพิญเอิว่าเป็นปฐุมมาซานทุติญานสารตัติญานสารจัดสุธาสารปัญจมสารขึ้นไปตามลำดับอันนั้นเป็นคาพูดท น, นั้น เรียนมาจากตำราตัวจริงมันบ่ยเห็นเมื่อบ่ยเห็นตัวจริงแล้วก็นำมาเว้านัมมาสอนกันผู้ที่ปฏิบัติตามก็เลยจับต้นส่นปลายบ่ได้ดังนั้นเขามาทีน่นี้ถึงจะน้อยคนก็ตามต้องตั้งใจปฏิบัติให้มันรู้จริงจริงให้มันได้ผลเอาไปใช้จริงจริงเรื่องพระโซดาให้หุ่นยักษ เรื่องของพระสักขีพานพระอนาคาหรือพระอัลหันเขาต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้จักเพราะมันมีอยู่ในคนทุกคนพระพุทธเจ้าเคนบอกไว้แล้วว่าสภาพสภาวะหน้าตาดั้งเดิมคือกันเมิดทุกคนคนไทยก็เป็นอย่างนั้นคนจีนก็นเป็นอย่างนั้น คนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคะเมนคนญวนคนลาวคนอินเดียเป็นคือกันเมดเพียงอย่างว่าเป็นพระได้เมดทุกคนแล้วคันเมื่อปฏิบัติให้เป็นพระบัดนี้ผู้ใดหากบ่พัฒนาบ่าศึกษาบ่าดัดนิสัยตัวเองให้มันเป็นที มันก็เป็นผีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาบัดนี้เหาผู้ที่มีปัญญาศึกษ า, าด้วยตาเขาเบิ่งสักด้วยตัดด้วยขานที่กระเดือนนอนงูตัดด้วยขานตัวบงเกื้อเ น, นี่ยบอกว่าร้านเนี่ยพอแล้วต่อมาก็มาเห็นตัวปูตัวปลาตัวมูนี่แหละแล้วลก็มาเห็นคนเลี้ยวพมคิดสัตว์เหล่านั้นคือกันบงคือ ต่อมาบัด น, นี้เป็นหมูเป็นเสือเป็นตะขาบที่เข็ดเนื้ององคือกันโบวกคือเป็นสัตว์รุลายดังนั้นคนเฮาก็คือกันบางคนก็วางนัยบางคนก็ว่ายาบางคนสอนดีฝั่งเ่าซ้ําตรงนี้เป็นธรรมดาเ่าเป็นพระแล้วอย่าไปตกอกต ก, ตกใจ ข้าเขาศึกษาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจ ร, จริงๆแล้วโบต้องตกอก ต, ก, ต, ก, ตกใจผู้เต้ฟูมจริงเท่านั้นดังนั้นจือทำดีบันดีทําซัวมันซัวโบแมนทําดีเมืม่อนี้ปีหน้าผู้ยิงจะเอาโบแมนทําซั่วเมื่อนี้ปีหน้าผู้ยิงจะซั่วนั้นมันบนบแมนพันซ้อนให้หงูจักว่าแก้ปัญหาปัจจุบันนี้เรื่องอดีตอ น, นาคตนั้น ชวยเข้าบัวได้พอมาศึกษาให้รู้จักปัจจุบันและได้เดี๋ยวนี้นี่แนะนํากันในเรื่องปัจจุบันให้รู้จักปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จักเอาชนะตัวเองให้มันได้จริงจริงห้าเขาจิบบัวเอาชนะตัวเองเขาข่าวนี้แล้วบ่มีวันบ่มีเวลาบ่มีโอกาส ตายแล้วจเห็ดอย่างใดกี่ยวสนะใดมือไหนโบมีแล้วให้พ่อให้แม่เอาเห็ดให้โบโบไดเมื่อให้เทวดาเห็ดให้เหาบอกกับโบใดให้พระพุทธเจ้าเห็ดให้หาบอกกับโบดใเเ ด, ใบกกบดเพื่อยังว่าเฮ็ดเองรู้เอง <c oughs> เห็นเอง <c oughs> เข้าใจเองผน <c oughs> เอินว่าสันทิิโกสันอันผู้ลู่จะพึงเห็นเอ ง, งอักาลีโกสัน ไม่ประกอบการและเวลาที่เป็นยุคใดสมัยใดกระต่างต่างที่เป็นยุคพระพุทธเจ้าเกิดอยู่เที่ยวเทศเที่ยวสอนดูกระตาถ้าโบโซนใจแล้วโบลูบัดนี้ยุคพระพุทธเจ้าหมดแล้วหมดลมหายใจแล้วตายไปแล้วเขาก็เอื้นนิพพานเปิ้นตายเอื้นสวรรคตมันสมมติพูดแต่คําสอนนั้นมันอย่างยวงซีมันดับเป็นอย่างซี เรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องนิพพานมีอยู่ยังที่ตลอดมาเรื่องศาสนาเนี่ยมีอย่ังที่อยู่ตลอดมาศาสนาเกิดขึ้นขันแลดึกดำบันที่สุดนตัวกลัวฝนตกวาลองกลัวแผ่นดินไหวกลัวฟูเขาไฟระเบิดกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเพราะบมีที่พึ่งอันนั้นเป็นว่าเอินคนบ่มีศาสนาจึหาทีพึ่ง เมื่อหาที่เพ่งและสุนท ศ, ศาสทธาไปว่าคําสอนของท่านผู้รู้อาจารยผู้ใดรู้เรื่องอันใดเอาเรื่องนั้นมาสอนบัด น, นี้เขาต้องพัฒนาเพื่อว่าพัฒนามันสูงขึ้นสูงขึ้นเลิกจากการกลัวผีกับมาไหว้เทวดาบัด น, นี้เอาไปเอามาเลิกจากการไหว้เทวดาเนีย่ยมาคิดถึงพระอินทร์ของผมบัด น, นี้เขาศึกษารู้จักแล้วบัดนี้ เลือกจากการว่ายวอนพระอิปภคมมาศึกษาให้เป็นพระวันนี้บัด น, นี้เรารู้จักหน้าที่ของพระแล้วกันลาบลือนรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นพระอยู่ในจิตในใจทุกคนมีมัดเพิ่นจะว่าสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมนั้นมีในคนคุกคนโบโยเวนบอกว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ชายบอกว่าเจ้าหัวบอกว่าไอ้จัว บอกว่าคนไทยคนจีนมีคือกันมัดศึกษาให้ถูกต้องเรื่องเจริญสติปัฏฐานซี่เนี่ยถ้าศึกษาบถูกต้องแล้วมันออกนอกทางเขาเรียว่าทางมิส่ทางทางมิส่ทางเบาไหลมังไกลดังนั้นเข้ามาที่นี่มันต้องมีวิธีการต้องศึกษาครูบาอาจารย์วิธีที่ทำ ถ้ามันเกิดสติเกิดสมาธิ ї, เกิดปัญญาณเห็ดจังได้ถามเพื่อนตะก่อนถ้ามบุู้จักอย่าไปเบิงเบ่งซื้อซื้อเบิ่งซื้อซื้อหุจักซื้อซื้อแล้บาตไปทํามันบุูจักบ่มไม้จาเป็นต้องเบิ่งเพิ่นเบิ่งเพิ่นบุูจักแล้วถามเห็ดเพื่อนยังอันเนียเห็ดและมาที่เป็นจังได้อเ น, นียท่นต้องรู้จักเขาเคลื่อนไหวนี่แปลวป่าปลุกตัวเขาให้ตืน่น เบื้งความคิดนี่ปแปลว่ามันคิดเบื้งให้มหูจักมันที่ไปดับเอาโทสะโมหะโลภะมันทีไปดับปกปกมจิตมัน่นถือมันแล้วจิตใจเขาที่เป็นปกติเมื่อปกติแล้วอันใดมาต้องมาแตะเอาเขาจีรู้จักทั้งมัดเมื่อรู้จักทั้งเมือเรื่องบัจจิคลายคือของสิ่งใดซึ่งมันจีขาดออกจากการไปทางเมื่อเพราะว่าคนโบมี นี่แหละพระพุทธเจ้าฆ่าคนให้มันตายเมืมีเศษชีวิตพระล้วนล้วนว่าจังซีที่เข้าใจบเข้าใจก็เป็นธรรมดาชีวิตของพระนั้นจึงว่าโบมีเกิดโบมีตายนิพพานนั่นจึงว่าโบเกิดบบแก่โบเจ็ บ, โ บ, โ, บโบตายเขาทุกคนอยากไปอยากไปนิพพานแต่ป้าทนาเอาซื้อคันท้าอยากไปนิพพานป้าทนาเอามืออื่นนี้ ให้ข้าพระเจ้าได้กองเงินกองคำหลายๆเดืองๆได้จากคนบไดายว่าตือๆขันบบบวหาอาบไดายเงินนี้ก็ได้นิพพานก็คือการขันบดสึกสายทุกสุดในบไดายวุ่กจกักแท่เหยาพออายุ46ปีเกิดมีความสราบซึ้งตึงใจเรื่องนี้มาเลยบอย่านบ่กลัวเม่นไผซิวาสราก็ได้กับต่าง กี่เว้ลควมจิมนี่สู้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงมนุษย์ด้วยกันเพื่อยังว่าคันว่าภาษาบ้านของกว่าสัพเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็ตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเฮาเนี่ยเกิดดำคันแก่ดำคันตายดำคันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมิกิมันลอกล้อโกหกลอกลวงกันมิหยังเว้ลควมจริมสู้พ่ามันมันสิ้นเนื้อป่าดจั่วอันใด ว่องให้ฟั่งซื่อๆนี่นะมันมึดอันใดก็มีแต่พวกฝังกระตั้งใจฝังกระจาได้ผู้เว้าให้ฟังกระตั้งใจเว่าวกลมจริงมันกระได้ประโยชน์มีคนทั้งสองทางผู้ตั้งใจเว้าให้ฟังบดเนี่ยผู้ฟังบดตั้งใจบดได้ประโยชน์บกคุมขาผู้ว่องผู้ว่องมือ่ายดังนั้นจึงว่าใตั้งใจฟัง มือนี่ยวเวาเพียงหลัดงหลั่ยอยอเห็นว่าวาให้ฟังหลายมือแล้วสองมือแล้วเวาเรื่องศรัทธาอีกกากระโบทะจบมือต่อมากระเวาเรื่องผ่านธรรมกระ บ, บทันจบมือนี้การวาเรื่องการประพฤติปฏิบัติให้แก้ปัญหาตัวเหาเรื่องหาบุญเมื่อเนี่ยหาเอาให้มันเป็นหาเอาสวรรค์มีพานให้มันเต้น ถ้า ห, าหา้าขาเป็นแล้วไปมันดีโบทู่ยิ่งหาโกยิ่งไก่ใต้เท่าทีได้นำธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ฟังเมื่อ น, นี้ก็เห็นว่าสมควรแก้เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ล่าญาติโยมมานั่งฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนใวนั้นอาตมาเป็นผู้ได้หยิบ ได้จับมาเล่าสู้ฟังฉะนั้นจึงขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและขออ้างอิงเอาคุณของพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าและขออ้างอิงเอาคุณของพระอรหันตาสาวกของพระสัมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเตือนจิสตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราเป็นคนพูดจริงธทำจริงปฏิบัติจริงต่อตัวเองจริงๆ ให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจทราบซึ้งตึงใจในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอ